คิดอยากเปลี่ยนนิสัยคนอย่าไปจี้จุดที่เขาผิดเริ่มจี้จากจุดที่เขาถูกคนเราถึงผิดจริงก็ไม่ชอบให้ใครมาดา่าให้ภาคของความถูกต้องดีงามของเขาตักเตือนตนเองก่อนจะรู้วิธีเปลี่ยนโลกภายนอกทางที่ดีที่สุดคือคุณต้องรู้วิธีเปลี่ยนโลกภายในเมื่อรู้ว่าตัวคุณเองเปลี่ยนแปลงยากขนาดไหน คุณก็จะสุขุมมากขึ้นคอยเป็นคอยไปมากขึ้นและที่สำคัญมีความเข้าใจมากขึ้นกับการพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกคนเราถึงผิดจริงก็ไม่ชอบให้ใครมาดาอย่างเช่นคุณเห็นคนใกล้ตัวเจ้าชู้มีเมียแล้วยังอยากมีอีกแล้วก็มีไปเรื่อยๆ ร, ราวกับสะสมสะตมโอเคนั่นเป็นความไม่ดีของเขาหากมีสานึก ก็ไม่น่านไปมีใครอื่นตอนไม่โสดแต่หากคุณไม่ยับยั้งชั่งใจที่จะด่าเขามันจะเกิดผลแบบไหนกับใจคุณและใจเขาพอจะพยากรถูกไหมไปกำลังลามคุณคิดหรือว่าจะทำให้ทุกอย่างสงบลงด้วยการพ่นไฟใหม่กลบไฟเดิมคุณเป็นใครถึงคิดว่าจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งด้วยคำด่าอันระคายโสดเพียงไม่กี่ครั้ง รู้อย่างนี้ก็อย่าไปจี้จุดที่เขาผิดแต่ควรเริ่มจี้จากจุดที่เขาถูกเพื่อให้ภาคของความถูกต้องดีงามของเขาตักเตือนตนเองเช่นเขามีเมียให้เกลือนไร้ความรับผิดชอบลูกเมียลองเริ่มจากขอคำแนะนำจากเขาให้เขาสอนคุณเรื่องรับผิดชอบการงานวนเวียนซักถามเรื่องการรับผิดชอบและหลายแง่และหลายมุมระวังอย่าวกเข้าเรื่องรับผิดชอบลูกเมียให้เขารู้สึกว่ากาลังถูกด่ากระทบ หากคุณทำให้เขาภูมิใจที่รู้เรื่องการรับผิดชอบได้เอาไว้เขาก็จะงักคิดเองตอนเขามีสำนึกรับผิดชอบลูกเมียต่ำลงแต่ถ้าเขาไม่ค่อยจะรับผิดชอบการงานก็ลองขุดหาความดีที่เป็นทุนของเขาให้เจอเช่นทาตัวให้เขารู้สึกว่าคุณเชิญชมเขาอย่างหนึ่งคือดีเลวอย่างไรก็ไม่โกหกอันนี้ปัจจุบันอยู่ที่ตัวคุณด้วย ถ้าขอแค่เขาพูดแต่คำจริงคุณจะไม่ด่าไม่ว่าไม่แสดงปฏิกิริยาให้เขารู้สึกว่าตัวเองผิดเขาก็อาจรักการพูดความจริงขึ้นมาได้สินเป็นสิ่งมีพลังและสินแต่ละข้อก็มีอำนาจดึงดูดสินข้ออื่นๆเพราะสินทุกข้อเชื่อมโยงกับความละอายบาปโดยตรงเมื่อขอร้องให้เขารักษาศีลได้บางข้อในที่สุด เขาอาจอยากรักษาสีนในครบทุกข้อขึ้นมาเองโดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยการมูสานั้นหากใครตั้งใจงดเว้นคำเท็จมีแต่พูดแต่คำจริงก็มากเป็นทุนให้เกิดกำลังใจอยากงดเว้นความชั่วอื่นๆได้ง่ายขึ้น